ฉลาดทางจิตตอนใกล้ตายทุกคนจะรู้ว่าถ้าฉลาดจริงต้องเอาตัวรอดได้อบอุ่นใจอยู่กับความเป็นตัวเองได้ด้วยความสงบสบายสว่างเย็นโรง่งโล่งไปถึงไหนๆ ไ, ไม่มีใครฉลาดขึ้นเองเพราะใกล้ตายความโง่าทางจิตที่สั่งสมมาทั้งชีวิตทำให้คนทั้งโลกกลัวตายกันหมด จะเว้นไว้ก็แต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีสตินานพอจะสั่งสมความรู้รู้ทางสร้างความสว่างให้แก่ จ, จิตรู้ทางเห็นความจริงที่ซ้อนซ้อนกันเป็นภาพลวงตากระทั่งรู้จักตัวเองต่างไปจากเดิมเห็นชัดว่าตนไม่ใช่ก้อนอัตตาเดียวๆแต่ที่แท้คือชิ้นส่วนอนัตตาเป็นชั้นๆ ประชุมกันไม่นานอย่างไรก็ต้องยากย้ายหายสูญ น, นั่นเองความฉลาดจริงจึงเริ่มปรากฏรู้ทางมาของความฉลาดเริ่มต้นชีวิตมาทุกคนโง่าทางความคิดเท่ากันหมดทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีคิดทั้งจากผู้เลี้ยงดู และจากประสบการณ์ของตนเองจึงค่อยคิดอ่านได้ฉลาดขึ้นเรื่อยๆจะฉลาดทางความคิดต้องฝึกคิดแก้ปัญหาบ่อยๆต้องฝึกคิดหาทางเอาสิ่งที่ต้องการมาให้ได้ต้องฝึกคิดล่วงหน้าเป็นชั้นๆต้องฝึกคิดเป็นระบบระเบียบอย่างมีเป้าหมายอย่างไรก็ตามคนคิดอย่างฉลาด อาจแก้ปัญหาตัวเลขได้แต่แก้ปัญหาทางอารมณ์ไม่ไหวหลายคนแก้ปัญหาที่ทำงานเสร็จออกกลับบ้านทะเลาะตบตีกับคู่ครองไม่เสร็จก็มีความจริงก็คือคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์มักได้ดีมีสุขมีหน้ามีตาตลอดจนฐานะและตําแหน่งเหนือกว่าคนที่มีแต่ความฉลาดทางการคิดท่าเดียว จะฉลาดทางอารมณ์ต้องฝึกคิดให้เป็นบวกบ่อยๆต้องฝึกคิดหาของดีจากสถานการณ์เสียาหายให้ได้ต้องฝึกคิดวางแผนเกี่ยวกับอนาคตที่ดีขึ้นต้องฝึกคิดพักผ่อนหรือท่องเที่ยวได้ถูกเวลาอย่างไรก็ตามคนฉลาดทางอารมณ์อาจมีความสุขอย่างเห็นได้แต่ยังไม่อาจหลุดพ้นจากทุกข์ที่มองไม่เห็น โดยเฉพาะทุกอันเป็นผลจากความไม่รู้ทุกอันแฝงอยู่ในสากลจักรวาลอันกว้างใหญ่มาหือมาความจริงก็คือคนที่มีความฉลาดทางจิตยอม้นทุกข์พ้นร้อนไร้ใบหน้าโศกเศร้าตลอดจนทําลายรากฐานของความเดือดร้อนได้ในที่สุดจึงรู้จักรสสุขที่เหนือกว่าคนฉลาดทางอารมณ์ยากที่จะประมาณว่าเท่าใด จะฉลาดทางจิตต้องฝึกรู้ให้ตรงจริงบ่อยๆต้องฝึกรู้ว่าทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายต่างก็ต้องหายไปเท่ากันต้องฝึกรู้ว่าอดีตและอนาคตไม่ได้มีราคาอันใดต้องฝึกรู้ว่าไม่มีเป้าหมายใดเกินความพ้นจากหลมทุกข์ความฉลาดทางจิต ไม่ได้เริ่มจากการรู้รอบตอบได้เกี่ยวกับเรื่องนอกตัวแต่ตั้งต้นจากการรู้สึกถึงความจริงในตนคุณยังคงเห็นทุกสิ่งด้วยตาเปล่าเหมือนเดิมแต่จะเห็นตัวเองแตกต่างออกมาจากความรู้สึกข้างในเป็นหลักเช่นแทนการรู้สึกถึงก้อนอัตตาอันทึบหนักก็กลายเป็นรู้สึกถึงกระแสอนัตตาอันโปร่งเบาเป็นต้น ความจริงเกี่ยวกับตัวเองจากภายในคือความจริงที่ดูเผินๆ เ, เหมือนคนอื่นก็รู้แต่ไม่มีใครอยากรู้ให้จริงไม่ทราบจะรู้ไปทำไมรู้แล้วไม่ได้เงินรู้แล้วไม่ได้สนุกสนานเฮฮาเพียงคุณรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องข้างในอย่างถูกจุดก็จะทราบด้วยตนเองว่าความฉลาดที่แท้เหมือนการไปถึงจุดสูงสุดแล้วคืนสู่สามัญ คุณอาจยิ่งฉลาดทางความคิดยิ่งฉลาดทางอารมณ์ก้าวหน้าในทางโลกเช่นเดียวกับคนอื่นต่างก็แต่ว่าจิตใจภายในไม่ต้องทนทุกนานาเหมือนเช่นที่คนฉลาดทางความคิดกับคนฉลาดทางอารมณ์ทั่วไปเป็นเป็นกันรู้ทางพบจิต คนเรามักอยากมีชีวิตใหม่ทั้งที่ปล่อยให้เรื่องเก่ารกหัวอยากให้อะไรๆดีขึ้นกว่าเดิมทั้งที่ยังทำทุกอย่างเหมือนเดิมอยากได้นั่นได้นี่เท่าคนเดิมทั้งที่ไม่เคยทำเท่าครึ่งของคนอื่นความอยากที่ไม่สมเหตุสมผลเกิดขึ้นได้กับทุกคนจนกว่าจะพบกับอะไรอย่างหนึ่งที่สามารถเอาใจใส่ และทำให้หัวโล่งจากเรื่องเก่าได้เดี๋ยวนี้กับทั้งชวนให้เต็มใจฝึกทำอะไรใหม่ๆเอาแค่ก้าวน้ากว่าเมื่อวานนิดหนึ่งไม่ใช่ก้าวล้ำเกินใครไปมากๆสิ่งแปลกใหม่ที่สุดค้นพบแล้วก่อให้เกิดความรู้สึกแปลกใหม่ที่สุดน่าเอาใจใส่ทําให้หัวโล่งและน่ารู้น่าเห็นขึ้นเรื่อยๆ บางทีไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ผู้คนแต่เป็นจิตของคุณเองความรู้สึกทั้งหมดทั้งหลายของคุณนั่นเองคือจิตทั้งดวงความรู้สึกสว่างโล่งหรือมืดคึบนั่นเองคือความเป็นกุศลหรืออกุศลของจิตความรู้สึกว่านึกคิดอยู่นั่นเอง คือจิต ท, ที่รู้อยู่กับโลกภายในการรับรู้สิ่งกระทบทั้งหลายหูตาจมูกปากนั่นเองคือจิตประเภทต่างๆที่ปฏิรูปไปตามวิธีเชื่อมต่อกับโลกภายนอกการจะเข้ามารู้จากจิตตัวเองอย่างครอบคลุมจำเป็นต้องอาศัยสมาธิชั้นสูงซึ่งมีน้อยคนที่ทำได้หรือไม่ก็วิธีสังเกต สะสมประสบการณ์รู้เห็นภายในระหว่างอยู่ในชีวิตประจำวันซึ่งใครๆก็ทำกันได้วิธีพบจิตเข้าใจในความเป็นจิตระหว่างอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นเปรียบเหมือนการเก็บชิ้นส่วนจิ๊กซอ์มาต่อกันทีละหนึ่งทีละสองช่วงแรกคุณจะยังมองไม่ออกว่าเป็นรูปเป็นร่างอย่างไรต่อเมื่อใจเย็น ค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมค่อยๆปฏิติประต่อตามแนวทางที่ผู้รู้ท่านให้เวลาเมื่อใดที่พบจิตอันเป็นของภายในเข้าใจชัดว่าเป็นสิ่งฝึกได้ฝึกแล้วเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดได้กับทั้งเริ่มได้โดยไม่ต้องเข้าป่าหรือออกบวชคุณจะเกิดกำลังใจ รู้สึกแปลกใหม่มากพอกับการเริ่มต้นเดียวนี้เลย